วนที่เธอมาบอกเรื่องราวความรักของสองเราว่าฉันนั้นเคยรู้สึกว่ามันน้อยลงบ้างหรือเปล่าและหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันก็คงจะไปจากเธอแต่นอนก็ยังละเมอคิดถึงเธอคนเดียวทุกวันไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้เธอคิดไปอย่างนั้นคิดมากไปนะเธอ แต่ฉันยังทำงานตั้งแต่ฉันปจนวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเราเธอว่ามันน้อยไปหรือเปล่าหากว่าน้อยไปฉัน เธอพีชระนาดที่ฉันต้องทำงานหนักที่ฉันต้องทำงานนักไม่เคยคิดเลยจะพักพอไม่เคยคิดเลยจะพักผ่อจะนอนก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนกค่อยากให้เธอนั้นสบายยิโอเอาอะไรมาแลกฉันก็คงไม่ยอมตัยให้ทำงานหนักไม่หลับไม่นอนเอาเธอไปเขียนลงไปในกอนไม่เธอสบายในอะไรก็ยอมหากที่น้อยใจ อยากาห้เธอเชื่อใจและนาคนคนนี้ที่มันธรรมดาที่ดันโชคดีและเกินที่ได้เธอมาประดับประดาฉันอยากจะดูแลเธอให้ดีเท่าที่มีมันยังไม่พอกค่น้อยใจไปเลยคนดีรุ่เธอที่มีฉันพยายากดูแลเธอฉันอยายให้เธอเลงมาอายใครเขาทางานหนักจนยาวจนไปสาวใี้สาวน้อยลงคงมีแต่เงินในกระเป๋าสบายในใจให้ฉันโดนไฟเผลจะลมกันบ้างขอทนน้อเธสําหรับฉันคือีสุดของใจ เธอไม่ว่าเธอจะเครเป็นของใครทำไมคนอื่นเห็นว่าฉันดูนแลเธอได้ทำไมมีเดิมพันเรื่องรักเธอพา่ายทำไมมีสิ่งใดที่มาแทนเธอได้หรอก จ, จะดึงกบฏาาฉันต้อการที่จะได้ก่อน